ดังนั้นเน่มันถึงได้ติดต่อกันแม้จะอยู่ไกลเขาก็ยินดีเขาก็ถวายค่ารถค่าพาหานะต่างๆอำนวยความสะดวกให้อย่างนี้แหละสาเหตุที่จะได้ไปสงเคราะห์กันเพราะมันมองเห็นประโยชน์เพราะเรื่องของศาสนานี่มันเป็นเรื่องที่บังคับกันไม่ได้ มันเกิดขึ้นจากกิจใจของบุคคลผู้ได้ทำบุญกุศลมาแต่ปางก่อนบุญกุศลอันนั้นแหะมาโดนบันดาลให้เกิดความรู้สึกนึกคิดขึ้นว่าชีวิตความเป็นอยู่นี่นะเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบาก บัดนี้พระพุทธเจ้ามณฑงแสดงไว้ว่าทางพ้นทุกข์มีอยู่อย่างนี้แหละชาวพุทธทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วก็จึงสนใจขึ้นมาอยากจะรู้จักทางพ้นทุกข์และนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้ น, นะอะธรรมะ อันเป็นแนวทางปฏิบัติโดยรวบลักก็มีแล้วแสดงโดยอุบายต่างๆอย่างพ่วงขวางก็มีอย่างนี้เลยในวันนี้ผู้ฟังท่านอยากจะฟังจากท่านผู้ที่เคยปฏิบัติมาแล้วเรื่องมันนะผู้ที่ท่านเคยปฏิบัติมาแล้วนั้นท่านยอมมีอุบาย แยีบคายดีกว่าผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติเคยผ่านอุปสรรคขวองขัดข้องอะไรต่ออะไรมาอย่างนี้แหละแล้วก็รู้จักอุบายวิธีแก้ไขอุปสรรคที่เกิดขึ้นแต่เพราะหน้านั้นๆเขาก็ต้องการอยากจะฟังอุบายแก้ความขัดข้องของชีวิต ในปัจจุบันอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นจึงได้นิมนต์ไปอแสดงทำติดต่อกันไปยิ่งขยายออกกว้างออกไปเรื่อยๆเพราะว่าเมื่อได้ไปสแสดงที่ไหนเข้าไปแล้วปรากฏว่าคนสนใจกันขึ้นมาตื่นตาตื่นใจกันขึ้นมาอย่างนี้ แสดงว่าธรรมะอุบา ย, ยาต่างๆที่แสดงไปนั่นมันถูกกับจริตของผู้ฟังผู้ฟังแล้วได้ความทราบซึ้งในใจบางคนก็ถึงกับออกปากมาว่าเออท่านแสดงมานี่คล้ายๆกับว่าท่านเทศให้เราคนเดียวถูกเราหมดเลยถ้าแสดงเรื่องที่ไม่ดีก็ดี อย่างนี้แหละคล้ายๆกับว่าท่านรู้ตับรู้ไตของเราหมดอันนี้แหละมันเป็นเหี่ยได้คนตื่นกันบาดีพวกเราเน่ะเรียกว่าเราได้มาร่วมกันอยู่ในวัดปลาอารามอย่างนี้แล้วเท่าที่เทศให้ฟังมาเนี่อได้ตื่นกันบ้างไหมนี่ได้ได้ความรู้ ได้อุ บ, บายวิธีแก้ไขความขัดข้องทาง จ, จิตใจเหลือไม่นั่นแหละให้ทบทวนดวูเพราะว่า <c oughs> เราก็รู้กันอยู่ทุกคนอนะันอุปสรรคต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตนี่มันก็เนื่องมาแต่ความไม่รู้แจ้งในเหตุนั้นๆ นั่นแหละมันจะได้เกิดเป็นอุปสรรคความขัดข้องขึ้นมาทีนี่มันขัดข้องตัวเองเข้าไปแล้วก็ไปทำให้ผู้อื่นขัดข้องไปอีกเพราะความไม่รู้นั่นแหละทำอะไรไปด้วยความไม่รู้พูดอะไรไปด้วยความไม่รู้มันก็มีผลสองอย่างบางทีก็ถูกไปบางทีก็ผิดไป อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำอะไรพูดอะไรออกไปแต่ละอย่างแต่ละเรื่องก็ให้คิดให้ตรองเสียก่อนพิจารณาให้มันละเอียดถีถ่ท้วนเห็นว่ามีประโยชน์แล้วก็จึงค่อยทำค่อยพูดไปก็อย่างว่านั่นแหละ ถ้าว่าจิตใจมันมีกิเลสแทรกแทงอยู่นั่นแล้วอยู่ในใจนั่นแล้วมันสักจะเอียงไปตามอำนาจของกิเลสมันมันไม่ไปตามธรรมแบบนี้นะกิเลสมันผลักดันให้จิตนั่นเห็นไปในเรื่องราวของกิเลสไปการแสดงออกทางกายทางวาจามันก็เลย เป็นเรื่องของกิเลสไปวะนี่นะไม่ใช่เป็นเรื่องของธรร ม, มะนี่ให้พากันเข้าใจดังนั้นทุกคนต้องสำรวจกวดดูจิตใจของตนเสมอ<ฮ>อย่างที่เคยเทศให้ฟังมาแล้วนั่นแหละว่าเรื่องอคติสี่ประการนี่นะมันมีอยู่ในใจของเราหรือไม่<ฮ>ฉันทาคติ ความลำเอียงเพราะความรักความใคร่นี่โทสาคติลำเอียงเพราะความโกรธความไม่พอใจโมหคติลำเอียงเพราะความเขลาความไม่รู้ไม่ฉลาดเป็นเหตุให้ทาอะไรพูดอะไรผิดพลาดไปโดยไม่รู้ตัวพยาคติลำเอียงเพราะความกลัว เมื่อจิตใจมันเอียงไปเอียงมาอยู่ในสี่ประการนี่แล้วนั่นแหละการทำการพูดอะไรก็ไม่ค่อยเป็นธรรมกว่นี้นะไม่ค่อยเป็นศิลเป็นธรรมมันก็เป็นเรื่องของกิเลสไปเรื่องความชั่วไปมันเป็นยางน้นอย่างว่าทำอะไรไปด้วยความรักอย่างนี้นะ เ, เราอยู่ด้วยกันหลายคนอย่างนี้แหละ เอาไปรักคนโน้นหรือว่ารักคนนี้อมากแล้วเกลียดคนโน้นเกลียดคนนี้มากนี่เวลาทําอะไรเกี่ยวข้องกันกับคนสองฝ่ายนี่การเอื้อเฟือเกลื่อกูลกันอย่างนี้มันก็มักจะไปเอื้อเฟื้อเกื่อกูลแต่คนที่ตนรักนั่นนี่ตนพอใจนั่นนี่ คนเหล่านั้นต้องได้อะไรต้องดีกว่าคนที่ตนเกลียดชังอนี่ลำเอียงเพราะความรักอันนี้นะมันเป็นอย่างนั้นเมื่อมันลำเอียงเพราะความรักมันก็เอียงไปความชังความรักมีอยู่ไหนความชังก็มีอยู่ในในนั้นคู่นี้พลากกันไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้น ลองตรวจ ด, ดูที่ในจิตใจของเราทุกคนน่ะมันมีอคติธรรมเหล่านี้อยู่ในใจหรือไม่ไม่คนอื่นมันรู้ให้ไม่ได้หรอกเว้นเสียแต่ว่าผู้นั้นแสดงออกทางกายทางวาจาออกไปท่านผู้ถือธรรมเป็นใหญ่แล้วก็รู้ได้เลยว่าผู้นี้มีอคติมีลำเอียงไม่ยุติธรรมก็รู้กันได้แต่ถ้ายังไม่แสดงออก ทางกายทางวาจาแล้วรู้กันไม่ได้เลยดังนั้นทุกคนให้พากันสำรวจกวดดูจิตใจของตนเองให้ได้เอาทำอะไรพูดอะไรไปโดยไม่มีเหตุผลเพียงพอบางทีก็เดาเอาโดยไม่รู้เรื่องนั้นโดยเจ็ยมแจ้งเดาทำไปเดาพูดไป ผิดปั้งถูกปั้งไปอย่างนี้นะนั่นแหละท่านเรียกว่าลำเอียงเพราะความเข่าอ่ะมันใช้ไม่ได้แบบนั้นนะวันนี้ลำเอียงเพราะความกลัวกลัวอำนาจอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นเหตุให้ทำชั่วลงไปเพราะกลัวอำนาจอันใดอันหนึ่งมาทับเอา มาบีบคั้นเอาอย่างนี้ก็เป็นเหตุให้ทำชั่วได้เพราะความกลัวนี่แหละนี่มันเ็นอย่างนั้นดันั้นอย่าไปลืมอคติทำสี่ประการนี่นะพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าไม่ควรประกอบไว้ในใจ ไม่ว่าภิกษุสามนเณรไม่ว่าอุบาสกวาธิกาธรรมะเหล่านี้จำเป็นต้องปฏิบัติตามเหมือนกันหมดเลยเความรักถ้าเรารักเป็นนะรักประกอบไปด้วยปัญญาอย่างนี้นี่มันมันก็ไม่มีโทษอะไรนะนั่นแหละอย่างว่าเรารักกันหมดแหละทั้งโลกนี้เลยนะ เพราะในฐานที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งมนุษย์ทั้งสัตว์เรระฉันเรารักหมดรักเพราะอะไรรักเพราะฐานที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันรักเพราะต่างคนต่างก็ต้องการความสุขเกลียดต่อความทุกข์เหมือนกันเรารักก็เพราะอยากจะให้เขาเหล่านั้นเป็นสุข รวมทั้งตัวของเราด้วยเราต้องการความสุขชั้นใดก็อยากจะขอให้คนอื่นและสัตว์อื่นนั้นต้องการความสุขเหมือนกับตนขอให้สแสวงหาความสุขเหมือนกับตนนี่แหละความรักแบบนี้นะเทียบได้กับพระพุทธเจ้า ซึ่งพระ อ, องค์รักชัดสัตว์โลกทั้งหลายเจียงได้สร้างบารมีปราถนาเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกรักอยากแกให้สัตว์โลกทั้งหลายนั้นพ้นจากทุกภัยในวัตาสงสารนี่เจียงได้ลงเอาทุกเป็นทุนสร้างบารมีสิบประการนั้นมาในสงสารคขนาดา น, านับภพบนักชาติไม่ถ้น จนบารมีนั้นเต็มบริบูรณ์ก็ได้ตรัสรู้เป็นรู้ เ, เจ้าตามพระประสงค์แล้วพระองค์ก็ได้สงเคราะ์สัตว์โลกทั้งหลายพระองค์จะสงเคราะ์ได้เฉพาะคนมีบุญวาสนาเท่านั้นคนไม่มีบุญวาสนาสงเคราะ์ไม่ได้เลยเ อ, อืเช่นนี้แหละจึงเป็นเครื่องแสดงให้เห็นแล้วว่าถึงพระองค์จะเป็นผู้วิเศษ รู้แจ้งโลกอันนี้มีพุทธานุภาพใหญ่ยิ่งเท่าใดพระองค์ก็ไม่สามารถที่จะบันดาลหรือนิรมิตให้คนทั่วโลกอันนี้มีความสุขสม่ำเสมอกันไปหมดเลยเพระองค์ไม่สามารถจะทำได้อย่างนั้นทั้งนี้เพราะอะไรลนะ่ะก็เพราะว่าสัตว์โลกนี่มันเป็นไปตามกรรมอยู่ในกรอบแพงกรรม กรรมนั่นมีอำนาจเหนือชีวิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายดังนั้นแม้พระองค์จะมีฤทธิ์มีเดชอย่างไรจะบันดาลให้คนยากจนขนแค้นนั่นให้เป็นผู้ร่ำรวยมัง่งมีลาบยศสรรเสริญด้วยความสุขมีอายุยืนยาวนานอย่างนี้นะเป็นไปไม่ได้เลยเพระองค์ทำไม่ได้เพราะอะไรแล้วก็เพราะว่ากรรมของเขามัน มันบังคับชีวิตของเขาให้เป็นไปอย่างนั้นเพราะเขาเองทำกรรมชั่วใส่ตัวเองมาแต่ก่อนบัดนี้กรรมชั่วนั่นก็มาแต่งมาอำนวยความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆให้ใครจะมาลบล้างผลแห่งกรรมชั่วอันนั้นไม่ได้เลยจะมีฤทธิ์มีเดชเท่าไหร่ก็ช่าง ทีนี้สำหรับคนที่มีบุญวาสนาได้อบรมสังสมมาแต่อดีตชาติหนหลังแล้วเขาก็ได้เว้นจากกรรมอันชั่วร้ายต่างๆม า, มาเมื่อเรงงานสองสัตว์โลกคนที่มีบุญวาสนาเหล่านั้นก็ต้องข่ายพยานของพระองค์พระองค์ก็พิจารณาดูคนเหล่านั้นว่าเป็นผู้มีอินทรีย์แก่กล้าสมควรแล้ว พอที่พระ อ, องค์จะสอนให้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้จึงสเสด็จไปโปรดคนเหล่านั้นพอสเสด็จไปคนเหล่านั้นได้ทราบข่าวก็ยินดีปีติจริงๆเลยก็พร้อมใจกันมากราบไหว้สักการะบูชาพระองค์นั่นแหละไม่ยากลำบากอะไรเลยไม่ได้ไปตีคองร้องเปล่าอะไร เพราะบุญบรารมีของคนเหล่านั้นดนจิตใจพอใจที่จะมาเฝ้าพระศาสดาเลยนี่เป็นอย่างนั้นความเป็นมาของเรื่องราวของพุทธศาธสนานี้ให้พากันเข้าใจผู้ที่เกิดใหม่ใหญ่ทีหลังที่ยังไม่เข้าใจเนื้อแท้ของวัพุทธศาธสนานี่นะก็เพิ่งเข้าใจกันซะ เป็นมาอย่างนี้แหละซึ่งไม่เหมือนอย่างลัทธิอื่นลัทธิอื่นนั่นเขามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกนนมาโดนบันดาลหรือมาตกแต่งความสุขความทุกข์อะไรให้แก่คนในโลกอันนี้ลัทธิอื่นเขาสอนกันไปอย่างนั้นเหตุนั้นมันถึงได้ทำทพิธีบูชายัญกันนั่นแหละ มันเป็นการตอบสนองพระคุณของของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นที่มาช่วยดลบรรดาให้ตนมีความสุขความเจริญอะไรโมนี่นะแต่แท้ที่จริงแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยผู้ใดมีกรรมมีเวรอย่างไรมันก็เป็นสเสวยทุกข์ทนทรมานเพราะกรรมเวรของตนอยู่งั้นเลยจะไปอ้อนวอนพระเจ้าบนสวรรค์อะไรให้ มาช่วยระงับกรรมเวรอันเหล่านั้นให้มันหมดไปนวไม่มีทางหรอกนั่นเลยไม่มีทางแต่อาศัยความเชื่องมงายตามตามกันมาจากผู้เป็นต้นเข้าผู้เป็นอาจารย์ได้แก่พะระฤาษีในอดิตการนุ่นพวกฤาษีแหละในเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดขึ้นในโลกนะ พวกฤาสีภาวนาเพ่งกสินะฌานไปแล้วก็ไปเกิดความรู้ความเห็นวิปลาสขึ้นมาอย่างนั้นนะว่าชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยจะมีความสุขความทุกข์ใดๆนั่นเพราะว่าอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมาอำนวยให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเขาก็อ้างเอาเทวดาอินพรมนั่นแหละ เทวดาก็มีชื่อต่างๆกันแล้วแต่เขาแต่มันเกิดความรู้ขึ้นมาอย่างไรมันก็จำเอาไว้แล้วก็ไปสอนชาวบ้านชาวเมืองไอ้พวกฤาษีนะแล้วไม่ทราบว่าเทวดาชื่อนั้นชื่อนั้นไม่ทราบอยู่ที่ไหนแล้วก็เชื่อกันไปอย่างนั้นแหละนี่แล้วก็การสดระเคาะกัน ผูกรวงอะไรต่างๆหมู่นี้นะมันมันก็อาศัยพวกฤาษีนั่นแหละสอนคนให้ทำวิธีพิธีกรรมต่างๆหมู่นี้แต่ ว, ว, แนน ว, รร ว, ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นมาในโลกแล้วพระองค์ก็จึงได้ทรงแสดงกรรมแสดงผลของกรรมนี้ให้ชาวโลกทั้งหลายฟัง ว่าพระ อ, องค์เจ้าได้ตัดทะลุแล้วในยานที่สองอยู่ใต้ต้นโพแล้วนะเห็นแจ้งว่าสัตว์โลกทั้งหลายนี่ที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่เพราะอาศัยกรรมดีกรรมชั่วที่สัตว์ทั้งหลายกระทาเอามาเป็นเครื่องอํานวยผลให้ไม่ใช่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ในโลกจะมาอำนวยความถูกหรือความทุกข์ให้อย่างนี้นี่ไม่มี นี่พระ อ, องค์เจ้าลู้แจงแล้วทีนี้ผู้ใดมีบุญวัสนาบรารมีได้สั่งสมอบรมมาแต่ก่อนได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนก่อนนู่นได้เกิดปัญญาสัมมาทิฏฐิเห็นชอบเห็นกรรมเห็นผลของกรรมดังกล่าวมานั่นแล้วเป็นปัจจัยติตามาพอมาเพราะ ได้ฟังคำสอนของพระเจ้าในปัจจุบันนั้นมันก็รู้แจ้งขึ้นได้เลยหายสงสัยในความเป็นมาของชีวิตดังนั้นผู้ใดได้รู้แจ้งในกรรมในผลของกรรมอย่างนี้แล้วเมื่อเห็นว่าตนนั้นยังทำกรรมชั่วอย่างนั้นอยู่มันก็ละทันทีเลยเมื่อเห็นว่ากรรมดีอย่างนั้นตนยังไม่ได้ทำก็พยายามทาให้เกิดให้มีขึ้น ดนี้ยว่าเมื่อสินยังไม่บริสุทธิ์ดีก็ตั้งใจสมทานสินลงไปแล้วก็ตั้งใจรักษาให้บริสุทธิ์ไปไม่ล่วงสินว บ, บนีนั่นเนี่ยเอา้าภาวนาตนยังไม่ได้ภาวนามาก็ตั้งออกตั้งใจภาวนาไปนี่ถึกคนรมจิตเจริญพระกรรมฐานตามที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนนั้นโดยความไม่ประมาท จนใจสงบระ ง, งับลงไปจากอารมณ์ต่างๆที่น่ายินดียินร้ายต่างๆวันนี้จิตรวมสงบลงเป็นหนึ่งลงไปเป็นเบกขาลงไปได้นนเนี่ยนั่นจึงเรียกว่าเป็นผู้รู้จักหนทางแห่งความสุขที่แท้จริงตามคำสอนของพรพุทธเจ้าก็คนเราเมื่อทำใจให้สงบลงไปแล้ว วางอารมณ์อธินายินดียินร้ายต่างๆได้แล้วใจสงบนิ่งเป็นหนึ่งอยู่นี่มันก็แสนสุขแสนสบายเมืม่อได้ความสุขสบายแล้วเรื่องอะไรจะไปให้พระเจ้าบนสวรรค์จะไปอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆให้มาช่วยตนให้มีความสุขความเจริญนี่ไม่มีผู้ทำใจได้อย่างว่านี่แล้วจะไม่ไปอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆ มาช่วยตนให้มีความสุขนี่นะให้พากาันพิจารณาดูจริงไหมแล้วแต่ผู้ฟังจะพิจารณาเอาแล้วตอนนีเ้เรื่องเงินเรื่องทองหร อ, อเมื่อปฏิบัติตามคำสอนุอธเจ้าแล้วจะไม่รวยหรือจะมีแต่ทำใจให้สงบสุขอย่างเดียวเหรอือนี่ ความมุ่งหวังของมนุษย์เราเนี่ยมุ่งจริงๆเลยถ้าทําความดีอะไรแล้วต้องให้รวยเงินทองเข้าของลาบยศสรรเสริญจึงถือว่าการทํานั้นมีผลดีเอออย่างนี้แหละคนเข้าใจค่อยเขไปเยอะแยะในโลกอันเนี้ย <c oughs> ก็เคยพูดอยู่บ่อยอยู่อย่างว่านั่นเนี่ยสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเองของของตนเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้นๆนี่น แต่คนส่วนมากมันไม่ค่อยไปเอาไปดำริเลยไม่ค่อยเอาไปคิดหรอกจำได้เฉยๆถ้าน้อมเข้าไปคิดอย่างนี้นะต้องคิดตามแนวคาสอนนะคิดนอกไปไม่ถูกแนวคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นพระองค์แก้วสัตว์ว่าอาดีตชาตินี้อย่างนี้นะชาติหนหลังนน่นมีปัจจุบันชาตินี้มีอนาคตชาตินี้ บุคคลผู้ที่ยังละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปไม่ได้มันต้องมีอดีตอนาคตปัจจุบันอยู่เนี้ยมันเป็นอย่างนั้นอดีตมันท่งมาถึงปัจจุบันหมายความว่ากรรมดีแ่อกรรมชั่วที่บุคคลกระทํามาแต่ชาติก่อนนั้นมันติดสอยห้อยตามดวงขีดนี่มาเอานํามาเกิดขึ้นในปัจจุบันนี่ เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มาอำนวยความสุขหรือความทุกข์ให้ตามกรรมที่บุคคลนั้นนั้นกระทามาอย่างนี้แหละดังนั้นคนเรามันถึงมีความเป็นอยู่ไม่เหมือนกันนะแตกต่างกันอย่างนี้นะ <c oughs> นี่พระพุทธเจ้าทรงแสดงอย่างนี้เพราะพระองค์รู้แจ้งอย่างนี้นี่พระองค์ก็แสดงอย่างนี้หลย่ย กรรมแต่ชาติก่อนน้นส่งผลมาให้ปัจจุบันนี้แล้วกรรมดีหรือกรรมชั่วนะก็มารักษาชีวิตอันนี้ให้เป็นอยู่ในโลกนี้ไปส่วนกรรมดีหรือกรรมชั่วที่ทำในปัจจุบันนี้มันจะยังให้ผลเป็นลูก ป, ประธรรมในปัจจุบันนี้ยังไม่ได้เลยไม่ได้แต่มันให้ผลทางจิตใจได้ เช่นบุคคลทำดีทำบุญทำกุศลจิตใจก็เบิกบานทองใสอย่างนี้นะเอาบุคคลทำบาปทำความชั่วลงไปจิตใจก็เศร้ามองขุนมัวเดือดร้อนอันนี้มันให้ผลทางใจปัจจุบันนี้ได้จริงๆเลยอย่างเต็นั้ น, น, นแต่ว่าบุคคลผู้ที่ทำคํามชั่วแล้วเดือดร้อนใจ เขาไม่มีปัญญาที่จะระ ง, งับคำชั่วอนันได้เว้นเสียแต่ผู้นั้นได้มาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดปัญญาขึ้นมารู้อุบายวิธีละคำชั่วอนันตได้ก็สามารถละคำชั่วอนันตได้ไม่เหลือวิสัยแต่ต้องเป็นละหุกรรมคือกรรมเบานะไม่ใช่ครุกรรมกรรมหนักกรรมหนักได้แก่อนันตริกรรมห้าอย่างมี มาตูคาตไปตูคาดเป็นตนมีข่าพ่อข่าแม่นั่นนะ่ะเป็นตนนี่แหละอั น, น, นอันนั้นธนิวกรรมหนักมันแก้ไม่ตกเลยอันนั้นต้องต้องไปเสวยผลจนได้ไปตกอเวจีหมานะกรกนุ่นแต่คาุระหูกรรมกรรมเบาเนี่ยเมื่อบุคคลรู้ตัวว่าตนได้ทำกรรมชั่วอย่างนั้นแล้ว มาอธิษฐานใจละเว้นมันเลยแล้วก็ทำความดีต่อไปนี่ความชั่วเหล่านั้นไม่นึกถึงมันอธิษฐานใจละเว้นแล้วไม่นึกถึงมันแล้วก็ไม่ไม่ทำมันต่อไปอีกอย่างนี้นะทำความดีให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้ความชั่วเหล่านั้นก็ตามไม่ทันเลยกลายเป็นอโหสิกรรมไป ถ้าไม่เช่นั้นแล้วพระพุทธเจ้าไม่ทรงสอนให้คนเราละความชั่วและทำความดีถ้าวะลาไปแล้วมันก็ยังไม่หมดมันยังตามสนองอยู่นี่นะแม้บุคคลจะทำความดีให้สูงอย่างไรกรรมชั่วมันก็ยังตามสนองให้ได้อยู่นี่เพราะองค์ไม่ได้ทรงสอนให้คนเราละกรรมชั่วแล้วนี่ต้องให้เข้าใจอย่างนี้นี่พระองค์รู้แจ้งแล้วนี่ ถ้าบุคคลละกรรมชั่วไม่ได้อย่างนี้ไม่มีทางนดยจะพ้นทุกได้จะได้มรดกได้ผลอย่างนี้ก็ไม่มีไม่ได้เลยจะไปสวรรค์ก็ไม่ได้ไอคนที่ไปสวรรค์อยู่นั่นนะ่ะแต่เมื่อยังไม่รู้เนี่ยมันก็ทําบาปอยู่บ้างนะแต่ว่ามันเป็นบาปแบบละหกกรรมอย่างที่ว่านั่นเลยเหมือนอย่างนิทานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ ในอดีตนู่นมีโจรห้าร้อยหมู่หนึ่งไปปล้นเอาทรัพย์สมบัติของชาวบ้านเขาแล้วอย่างนี้ได้เงินได้ทองแล้วก็หากันหนีออกจากหมู่บ้านอ น, นั้นไปคราวนี้เจ้าของบ้านกับเจ้าหน้าที่ก็ติดตามสกดลอยตามอืม เมื่อโจรเหล่านั้น่ะหนีไปหนีไปบางเออนะไปเจอพระสงฆ์องค์หนึ่งเข้าเข้าใจว่าขคงเป็นพระอาราหันต์นั่นแหละโจรเหล่านั้นก็ไปขอพึ่งบา ร, รมีของพระสงฆ์องค์นั้นท่านก็ไม่มีอะไรท่านก็บอกว่าท่านไม่มีอะไรจะให้พึ่งแหละมีแต่ คุณแก้วสามประการกับสินห้านี่แหละเพราะงั้นฉะนั้นจงพากันสมทานเอาสินห้ากับพระไตรสารนาคมเสียท่านก็ประกาศสินห้ากับพระไตรสารนาคมให้พวกพวกโจรทั้งห้าร้อยก็รับเอาด้วยความเต็มใจคนรับเสร็จแล้วก็ท่านก็แนะนำว่าพวกท่านจงมีใจมั่นอยู่ในคุณพระพุทธธรรมประสงค์ เอาเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของตนให้ได้จงมั่นอยู่ในศีลห้าประการถ้าหากว่าเจ้าของทรัพย์หรือเจ้าหน้าที่ติดตามมาก็อย่าไปต่อสู้เขาเขาเขาจะทำยังไงก็แล้วแต่จงสละชีวิตเพื่อศีลเพื่อธรรมเมื่อเมื่อท่านแนะนำอย่างนั้นโจนเหล่านั้นก็ยอมรับตาม ทันใดนั้นเจ้าหน้าที่กับชากับเจ้าของทรัพย์ก็ติดตามมาทันมาทุบตีฆ่าโจนเหล่านั้นตายหมดจนเหล่านั้นไม่มีใครสู้เลยอืพอตายลงไปก็พากันไปเกิดสวรรค์ชั้นดาวดิ้งหมดเลยอนั่นแหละเรื่องอย่างนี้แหละพระศาสดาทรงนํามาแสดงให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังเพื่อจะให้รู้ว่า บาปนั้นนะถ้าเป็นลาห ก, กรรมกรรมเบาเนี่ยบุคคลสามารถละได้แต่มันต้องยึดเอาบุญเอากุศลเป็นที่พึ่งนะวันนี้นะเมื่อละบาปนั้นแล้วถ้าละบาปแล้วไม่ยึดเอาบุญกุศลเป็นที่พึ่งเอาบาปนั้นมนก็จะแทรกเข้ามาได้อีกแล้วนี่นะข้อสําคัญมันอยู่ตรงนี้อเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลมานึกถึงว่าภัยมาถึงตนเข้าแล้ว ทิ้งอื่นจะเป็นที่พึ่งของตนไม่มีอนโลกอันนี้ครับก็มีแต่คุณแก้วสามประการนี่แหละกับบุญกุศลเกิดจากการรักษาสินให้ทานต่างๆหววนี้อ่าอธิษฐานเอาบุญเอาคุณนี่เป็นที่พึ่งไว้เลยเอาตายก็ตายตายอยู่กับบุญกับคุณนี่แหละอันนี้สละชีวิตลงต่อคุณพระรัตนกราย ต, ต่อบุญต่อกุศล ส, นสินธรรมหัวนี้ เข้าไปอย่างนี้อย่างโจนห้าร้อยอย่างว่านั่นเนี่ยบ้าก็ตามไม่ทันเลพวกนั้นก็ไปเกิดสวรรค์ได้เพราะในขณะที่เจ้าหน้าที่เขาทุบเขาตีเขาฆ่าอยู่นั้นพวกโจนเหล่านั้นก็มีใจมั่นอยู่ในบุญในคุณนั้นไม่โกรธเจ้าของทรัพย์ไม่โกรธเจ้าหน้าที่เออไม่คิดจะต่อสู้เลยอย่างนี้นะ ดังนั้นเขาถึงได้ไปเกิดสวรรค์บาปกรรมวั น, นั้นจึงตามไปไม่ทันเลยเป็นนาโหาสิกรรมไปนี่ยกตัวอย่างให้ฟังนี่แหละที่พระพุทธเจ้าสอนว่าให้ละบาปแล้วบําเพ็ญบุญให้เกิดให้มีขึ้นบันนี้เมื่อบําเพ็ญบุญกุศลให้มากขึ้นแล้วบาปก็ตามไม่ทันในเป็นนาโหาสิกรรมไปเออ ดังนั้นให้พึ่งพากันรู้จักคำว่าบุญและบาปอย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังมานี่แหละบาปแล้วก็ไปแย่งทิ่งอสมบัติผู้อื่นของเขาของผู้อื่นเขามาเป็นของตนนะบางทีก็อาจจะได้ทุบตีหรือว่าฆ่าเจ้าทรัพย์ก็ได้แต่ว่าในตำราท่านไม่ได้กล่าวละเอียดประนั้น <c oughs> แต่เมื่อโจเรเหล่านั้นเขาสละชีวิตเพื่อศีลเพื่อธรรมเพื่อคุณพระรัตนไกลนั้นจริงๆเนี่ยความเสียสละอันนี้สิมันมีอนุภาพมากมีนั่นทำให้เกิดกุศลอันยิ่งใหญ่ขึ้นมาเหนือบาปเหล่านั้นเลยเดังนั้นแหละพุทธบริษัทนะเมื่อได้ฟัง เรื่องราวของพุทธศาสนาอย่างว่ามานี่แล้วก็คงจะสมควรว่าจะต้องสละชีวิตเพื่อบูชาคุณพระรัตนกรกลและบูชาศีลธรรมมา น, นี่ได้แล้วไม่ใช่เลยนนะถ้าผู้ใดนึกว่าตนสละบูชาได้แล้วอย่างนี้ก็ต้องสำรวมระวังรักษาความดีต่างๆเหล่านั้นไว้ให้ได้ อย่าปล่อยให้กิเลสมันเข้ามาลุกรานแบบ น, นี้นะจิตใจอย่าให้ความลำเอียงทั้งสี่ประการนั้นครอบงาจิตใจต่อไปทำอะไรอย่าไปทำด้วยความหลงความเมาอย่างว่านั้นเนี่ยอย่าไปทำด้วยความกลัวเมื่อเราทำถูกต้องแล้วอย่างนี้เราตรวจดูตนอยู่ทุกวันทุกคืนเห็นว่าความเป็นอยู่ของตนนั้น อยู่ด้วยศีลอยู่ด้วยธรรมจริงๆไม่ได้อยู่ด้วยกิเลสบาปประ ร, รมเช่นนี้แนละ้วใครจะว่ายังไงนินทาว่าร้าอย่างไ ร, งไรก็ว่าไปเมื่อเห็นว่าตนมีที่พึ่งอนปเปิดอยู่ในใจแล้วก็ไม่ต้องไปหวั่นไหวเสียใจโกรธเคืองอะไรให้ใครอย่างนี้แหละเรียกว่าการปฏิบัตินี่นะต้องให้มันรู้เองเห็นเองขึ้นมาอย่างนี้ มันจึงมั่นใจอยู่ในกุศลธรรมเหล่านั้นมันจึงไม่เอียงไปทางอากุศลคือความโกรธความเสียใจเศร้าโศกต่างๆความทะเลาะวิวาดบาดม้างอะไรกันต่างๆว่านี่นะมันจะไม่มีเลยถ้าผู้ใดบำเพ็ญทางคิดใจอย่างว่านี่น ะ, ะนั่นแหละ แล้วก็จะไปปล่อยความอยากมันครอบงําจิตใจสําหรับผู้ปฏิบัติธรรมนี่อื mm hmm. อยากได้อะไรต่ออะไรอย่างนี้ไม่ถูกทาง mm hmm. เมื่อเราลงปฏิบัติธรรมอย่างนี้ต้องบําเพ็ญตนเป็นผู้มัดน้อยสันโดษอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าผู้ปฏิบัติธรรม mm hmm. มัดน้อยนะหมายความว่ามัด ให้กิเลสตัณหามันน้อยเบาบางออกไปจา ก, กจิตใจนี่ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่หมายเอามากน้อยอย่างอื่นก็เมื่อจิตมันต้องการอย่างให้กิเลสตัณหามันน้อยเบาบางออกไปจา ก, กจิตใจนี้แล้ววันนี้พูดถึงการเกี่ยวข้องกับโลกภายนอกกับความเป็นอยู่ภายนอกนี่มันก็ต้องมักน้อยเป็นธรรมดาเี่ พอใจมันมากน้อยทำกิเลสให้น้อยเบาบางออกไปแล้วการแสดงออกทางกายวาจาภายัยภายนอกนี่มันก็เป็นไปเพื่อความสันโดษมากน้อยยินดีตามมีตามได้เลยเป็นอย่า ง, งั <c> ้น <oughs> ให้พึ่งพากันเข้าใจนี่เรียกว่า เราปฏิบัติทำเลื่อนขั้นขึ้นไปนะเรียกว่าเลื่อนขั้นสูงขึ้นไปไม่ใช่ไปย่ำต๊อกอยู่แต่ทำขั้นต่ำๆนี่เพียงแค่กราบแค่ไหว้แล้วแค่สมทานศีลเข้าไปแล้ววันนี้การภาวนาก็เพียงแค่นั่งภาวนางกงกงงกง่วงไปเฉย จินันเล่ยล่อนพาในจรไปไหนโตไหนก็แล้วแต่มันไม่ได้ควบคุมเลยอย่างนี้นะไอ้แค่นั้นมันจะไปได้ผลอะไรเล่านั่นนะไม่ได้ผลนะหาความสงบไม่ได้แล้วแบบนั้นนะหาความรู้ความฉลาดไม่ได้ปล่อยให้ใจมันง่วงมันเหงามันเซ้อไปอยู่ แล้วก็ไม่อดไม่ทนนะนั่งภาวนาไปพอมันหงุดงิดในใจบะทําใจให้ลงไปไม่ได้แล้วก็ถอยสิหยุดไปเสียอย่างนี้นะมันก็อยู่แค่นั้นเลยฮะนี่จิตใจไม่ก้าวหน้าเลยอืมจิตใจไม่เข้มแข็งเลยเมื่อใจไม่เข้มแข็งแลนะ้วอะไรกระทบกระทั่งมาก็ปลิวไปเลยวันไว้ไปเลยเสียใจดีใจบวม คับแค้นใจไปเลยนี่เพราะฉะนั้นแหละวันนี้นะตั้งใจที่จะพูดเรื่องอคติธรรมเนี่ยให้ฟังนะให้พากันจำเอาไว้แล้วเอาไปคิดไปตรองให้ดีอย่าให้ใจของเรานะี่มันมีอคติธรรมสี่อย่างนี้อยู่ในใจมเมื่อเมื่อผู้ใด สำรวจกวดรู้จิตของตนเห็นว่าไม่มีอคติทำสี่ประการนี้อยู่แล้วก็นับว่าเป็นผู้ทรงธรรมเลยร่บนี้นะเป็นผู้มีชีวิตเป็นอยู่ด้วยธรรมอันเป็นกุศลนั่นแหละเมื่อจิตเป็นอยู่ด้วยธรรมอันเป็นกุศลแล้วแบบอย่างนี้การทาอะไรพูดอะไรมันก็เป็นศิลเป็นธรรมไปหมดอะไรแบนี้แล้วก็อยู่ด้วยกันนี่ก็ อยู่ด้วยกันอย่างน่าชื่นตาบานต่อกันไม่มีที่จะไปทำหน้าบึง้งหน้าบูดต่อกันแล้วถ้าต่างคนต่างอยู่ด้วยทำเม่ออันเป็นกุศลอย่างว่านี่นะระงับอคติทำสี่ประการนั่นออกได้แล้วนะแม้จะอยู่ด้วยกันหลายคนยังไงมันก็อยู่กันได้สบายไม่ต้องเดือดร้อนนะไม่ต้องมีเรื่องละหองละแหงอะไร ไม่ต้องมีเรื่องไม่ดีอโผอล่เพออกมาเพื่อนั้นให้พากันถือเอาธรรมะดังกล่าวมานี้เป็นเครื่องอยู่ของจิตใจพยายามกำจัดอคติธรรมทั้งสี่นั้นออกไปจากจิตใจให้ได้ดังกล่าวมาขอยุดสิลงเพียงเท่านี้